สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยาพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในสุภาษิตบทที่ย9่ส1บข้อสิถึงข้อครับสุภาษิตบทที่ 29.12.16 ข้อถึงข้อโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าถ้าผู้ครอบครองเชื่อฟังความเท็จข้าราชการของท่านก็ปล่อยชั่วหลายทั้งสิน้นคนยากจนและผู้บีบบังคับมักมาประจันหน้ากันเสมอ และพระเจ้าประทานความสว่างแก่ตาของคนทั้งสองถ้าพระราชาพิพากษาคนยากจนด้วยความเที่ยงธรรมพระที่นั่งของพระองค์จะสถาปนาอยู่เป็นนิจไม่เรียวและคําตักเตือนให้เกิดปัญญาแต่ถ้าปล่อยเด็กไว้แต่ลําพังจะนําความอับอายมาสูมารดาของตนเมื่อคนชั่วร้ายอยู่ในอํานาจหน้าที่การทรยศก็ทวีขึ้นแต่คนชอบธรรมจะมองดูความล่มจมของเขา ในสังคมบ้านเมืองของเราหรือองค์กสรสถาบันของเราในทุกวันนี้นั้นก็มีผู้บริหารหรือในสมัยโบราณเรียกว่าผู้ครอบครองหากผู้บริหารฟังคําแนะนําของคนมุษาก็หนุนนําให้เกิดความชั่วร้ายขึ้นในกลุ่มคนที่อยู่รอบๆผู้ครอบครองท่านนั้นแต่ถ้าท่านยึดความสัจจริงยึดความซื่อสัตย์ไว้ก็จะหนุนนําท่านให้เกิดความสัต์ซื่อและทําให้ความเท็จถูกลงโทษ ผู้นำประเทศนะครับสามารถทำลายประเทศผ่านทางการช่อฉนได้ผู้นำองค์กรก็เช่นเดียวกันครับสามารถทาลายองค์กรผ่านทางการช่อโขนได้เช่นเดียวกันผู้นำที่ฟังความข้างเดียวหรือฟังคนชั่วก็จะนาประเทศไปถึงความล่มสลายหายนะและนำองค์กรของตนไปสู่การหลอกลวงแต่ถ้าผู้ปกครองท่านใดหรือผู้ปกครองประเทศใดที่ เชื่อในความจริงเขาก็กำลังสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาที่สัตว์จริงให้เติบโตขึ้นแต่หากผู้ครอบครองหรือผู้ที่ดูแลประเทศนั้นเชื่อความเท็จเขาก็จะสนับสนุนให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาที่จะโกหกต่อเขาพี่น้องครับหากเขายอมรับถ้อยคาที่แท้จริงและการยอมรับถ้อยคาที่แท้จริงเท่านั้นก็จะทาให้ผู้นากลายเป็นแบบอย่างแบบอย่างสาหรับผู้ติดตามของพวกเขา พี่น้องครับไม่ว่าผู้ติดตามอยากจะต้องการติดตามหรือไม่ก็ตามแต่พี่น้องครับผู้นาที่มีความสัต์จริงและดารงอยู่ในความถูกต้องก็จะสามารถนาได้ในที่สุดข้อ1ิบกล่าวว่าคนยากจนและผู้บีบบังคับบักมาประจัญหน้ากันเสมอและพระเจ้าประทานความสว่างแก่ตาของคนทั้งสองคนยากจนคือคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงครับ และคนที่กดขี่ขอมเพนคนอื่นหรือคนยากจนก็คือคนร่ํารวยคนพวกนี้เป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่นครับแต่ทั้งสองนี้เป็นหนี้ของพระเจ้าพระเจ้าให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมในขณะเดียวกันสติปัญญาทั้งสิ้นเป็นของขวัญจากพระเจ้าพี่น้องครับไม่ว่ามันจะถูกใช้ในความชอบธรรมหรือความอาธรรมก็ตามสิ่งที่สําคัญก็คือว่ามาจากพระเจ้า คนอธรรมที่ใช้สติปัญญาไปในทางช่อฉชนนั้นก็จะนำมาซึ่งความบาปความชั่วและนำมาซึ่งการพิพากษาในที่สุดข้อ14ก็ต่อเนื่องจากข้อ13ครับถ้าพระราชาพิพากษาคนยากจนด้วยความเที่ยงธรรมพระที่นั่งของพระองค์จะสถาปนาอยู่เป็นนิตพี่น้องครับผู้ปกครองหรือผู้นำสถาบันองค์กรหรือประเทศชาติสังคมนั้น ถ้าหากว่าให้ความกรุณาพิพากษาด้วยความยุติธรรมโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่ถูกกลมเฮงผู้ที่ถูกริดรอนสิทธิ์จากคนร่ํารวยก็คือคนยากจนเหล่านั้นถ้าพระราชาพิพากษาคนยากจนเหล่านั้นด้วยความเที่ยงธรรมพระที่นั่งของพระองค์ก็จะสถาปนาอยู่ตลอดไปเป็นนิตนั่นหมายความว่าพระผิดชอบที่สําคัญสําคัญของผู้นําก็คือจะต้องกระจายความยุติธรรมจะต้องให้ความยุติธรรมนั้นออกไปนะครับโดยไม่มีความลําเอียง ใครก็ตามที่ปฏิบัติต่อคนยากจนที่ไม่มีใครไม่มีทางป้องกันตัวเองหรือไม่มีใครป้องกันเขาได้นั้นจะต้องถูกจัดการอย่างหนักจากพระเจ้าครับพี่น้องครับวลีที่ว่าพระที่นั่งของพระองค์จะสถาปนาอยู่เป็นนิตนั้นหมายความว่าพระพรของพระเจ้าจะมาถึงผู้นำที่ชอบธรรมผู้นำที่พิพากษาคนยากจนด้วยความเที่ยงธรรมครับพระเจ้าจะทรงอวยพร ผู้ที่ห่วงใยคนยากจนและประชาชนก็จะชื่นชมกับคนประเภทนี้หรือผู้ครอบครองประเทศนี้ในทางทำนองเดียวกันครับในข้อ16บบอกว่าเมื่อคนชั่วร้ายอยู่ในอำนาจหน้าที่การทรยศก็ทวีขึ้นแต่คนชอบธรรมจะมองดูความล่มจมของเขาพี่น้องจะเห็นนะครับว่าถ้าหากปล่อยให้คนชั่วร้ายขึ้นมามีอำนาจขึ้นมาปกครองขึ้นมา เป็นผู้นำมันก็จะเกิดให้เกิดการทรยศมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่คนชอบทำก็จะมองแล้วเห็นถึงความล่มจมที่รอคอยอยู่ข้างหน้านี่คือสิ่งที่เป็นเรียกว่าท้าทายครับพี่น้องครับท้าทายที่จะให้ผู้ครอบครองหรือผู้มีอานาจผู้บังคับบัญชาผู้นำทั้งหลายที่จะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะท่าหนที่สุดแล้วหากผู้ปกครองผู้นา ไม่สามารถทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ความบาปก็จะทวีขึ้นและจะล้มลงแต่คนชอบทําจะมีชีวิตอยู่เพื่อมองดูความล่มจมและเขามีความยินดีเพราะว่าในที่สุดแล้วความชั่วร้ายก็จะแพ้ความดีพี่น้องครับการตีสอนบุตรชายของตัวเองนั้นก็ส่งผลให้บีดามันดาได้หยุดพากคคับและได้นำความชื่นชมชื่นชอบมา ถึงทั้งลูกและคุณพ่อคุณแม่ด้วยในขณะที่ไม่เรียวและคำตักเตือนให้ปัญญาการปล่อยเด็กไว้ตามลาพังจะนำความอับอายมาสู่มารดาของตนนั่นหมายความว่าจะเสียเด็กครับพูดง่ายๆก็คือสปอยนะครับพี่น้องครับในการเลี้ยงดูลูกของเราหรือลูกหลานของเราหรือแม้กระทั่งเด็กๆในสถาบันองค์กรหรือในคึนจักของเรานั้นเราเองนั้นจะต้องมีวินัยครับ ฝึกฝนให้เด็กมีวินัยและการที่เด็กมีวินัยนั้นทาให้เด็กนั้นได้เรียนรู้จากความสม่าเสมอความเสมอต้นเสมอปลายของผู้ที่สอนหรือคุณครูหรือผู้นำหรือคุณพ่อคุณแม่เมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นมาครับเขาก็จะดำรงอยู่ในคำสอนเหล่านั้นไม่พลากไปจากทางนั้นดังเช่นสุภาษิตบทที่2บข้อที่6จงฝึกเด็กการฝึกนั้นมีความหมายว่าฝึกวินัยครับให้เขาเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของพระเจ้า ให้เขาเกิดการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตประจำวันที่ถูกต้องให้เขาเกิดการเรียนรู้ในการที่เขาจะแสวงหาความรู้ที่ดีที่ชอบให้เขาที่จะนำไปสู่การปฏิบัติมีสนทนาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขารู้เกี่ยวข้องกับธรรมบัญญัติของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับหลักคำสอนต่างๆที่ถูกต้องและเมื่อเด็กเหล่านี้ได้รับการปลูกฝังด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ดีเมล็ดพันธุ์ที่ดีนั้นก็คือพระเจของพระเจ้า และตัวอย่างชีวิตของคุณครูผู้สอนคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายทำให้เด็กเหล่านี้นั้นเติบโตขึ้นเขาจะเกิดผลงอกงามเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะฉะนั้นอยากจะหนุนใจคุณพ่อคุณแม่คุณครูทั้งหลายเรากำลังปลูกฝังสิ่งที่ดีเข้าไปอยู่ในชีวิตของลูกและให้สิ่งที่ดีนั่นจะงอกงามเกิดประโยชน์ต่อชีวิตส่วนตัวของเขาชีวิตครอบครัวของเขาและในที่สุดต่อสังคมประเทศชาติเบื้องเมืองของเราต่อไป ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีผู้นําที่ได้รับการทรงนําจากพระเจ้ามีผู้นําที่พระเจ้าจะทรงเจิมไว้มีผู้นําที่พระเจ้าได้ตั้งพระทัยไว้เพื่อที่จะให้ประเทศชาติบ้านเมืองหรือแม้กระทั่งสังคมกิจจักชรับแลองคอ์กรของเรานั้นจะได้พระพรผู้นําที่ชอบธรรมนาพระพรมาให้ผู้นําอธรรมก็นําเพลิงและความเดือดร้อนมาให้อาเมน